بسم الحمد ل ل ه ا ر ن الرحيم ا ل ح م لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م ا ل د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسورة الأنفال ش و ت ن ت ن ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ذ ِ ك ل َ ن ك ن ا ل ك َ س ن َ ของบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงดังในอายะที่สองที่เราได้อ่าบายไปลแล้วทิละซุฮานอตัลลาตรัดวิวอินนา المؤمنون الذين إذا ذ ك ر ا ل ل ه و ج ل ت ق ل و ب ه م و إ ذ ا ت ل ي ت ع ل ي ه م آ ي ا ت ه ز ا د ت ُ م إ ي م ا ن ا و ع ل ى ر ب ه م ي ت و ك ซึ ل و ن ในคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮ์บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงอันนี้หนึ่งในลักษณะแรกหัวใจของผู้ศรัทธาจะหวั่นเกรงเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หรือเรื่องราวของอัลลอฮ์ سبحانه ะ تعالى ถูกเอ่ยขึ้นมา ว่าถ้าตุลย์ต์ عليهم آياته زادتهم إيماناً ละเมื่อบนดาองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขาฟังกุรอ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าอีมานเพิ่มขึ้นเราอธิบายว่าอีมานมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไงอธิบายอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะครับ ว่าอัลลอฮฺรับบิฮฺมิอาจตวกลูนละแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขามอบหมายพวกเขาก็จะตว ก, กลุ่มอบหมายสังเกตว่าทั้งสามอย่างเนี่ยหัวใจของเขาหวานเกรงหัวใจของเขาเพิ่มพูนอีมานหวานเกรงเมื่อพระนามอัลลอฮฺถูก กล่าวขึ้นหรือ إ ي มานจะเพิ่มพูนที่หัวใจเมื่อได้ฟังองค์การของเรา سبحانه และก็ถ้าหรือเขาจะมอบหมายคือแต่ว่ากุต่อเรา سبحانه และก็ทั้งสามอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องหัวใจและมันไม่ไดีมันไม่ไดีเกี่ยวกับ ว, ยวัยจัยอื่นๆซึ่งเคยบอกแล้วอ่ะ ศา ส, สนานี่จะเน้นจะหนักหนักแน่นกับเรื่องให้ความสำคัญให้ความสำคัญนี่หมายถึงว่าให้เราได้เห็นความสำคัญของบทบาทหัวใจในการพิสูจน์ความศรัทธาเพราะอัลลอบอกว่าอินนมัลม um ูมยุนนะครับว่าอินนมาน เป็นสํานวนเของเราเขาเรียกว่าหัศร์ัศรแปลว่าเจาะจงเจาะจงมุหมินมุหมินที่แท้จริงมีประเภทมุหมินประเภทเดียวที่เรียกว่ามุหมินอันนี้แสดงว่าพวกเราก็ต้องหันมาดูว่าอย่างอื่นก็คงไม่ใช่ ไม่ใช่พวกนเดอร์พวนที่ไม่สมบูรณ์เดอมุพวกเมนที่ไม่ไม่ไม่ใช่ที่ยงแท้ถ้าเราบอกว่าเนี่ยจงหว่ามุม่งเปนที่แท้จริงเนี่ยก็คือกลุ่มนี้ก็คือมีสามคนในลักษณะเนี่ยสามคนในลักษณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ หัวใจจะเป็นเรื่องที่ศาสนาหนักแน่นเนี่ยจึงชี้ถึงสามลักษณะเนี่ยสามลักษณะเนี้ยให้เราไม่มองอย่างอื่นนะอยากจะรู้ว่าอีมาที่ได้ที่นันมาดูสามลักษณะนี้ดูว่าถ้า Allah ถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยหัวใจจะวั่นเกรงไหม ถ้าฟังองค์การของละศุภานุวะท้าแล้วเราจะเราจะมี إيمان เพิ่มพูนไหมและเราจะมอบหมายต่อละศุภานุวะท้าได้ไหมซึ่งเป็นสามอย่างที่ทุกคนสามารถสํารวจได้ด้วยตัวเองไม่มีคนอื่น ไม่มีคนอื่นที่จะสํารวจให้ฉะนั้นเรื่องอีมานเนี่ยอันนี้เราพวกเราต้องต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถให้คะแนนอีมานกับคนอื่นอา น, นี่มุม่ได้สิคนนี้มั่วไม่ได้สิคนรู้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจไงแล้วหัวใจของใครของเขาไม่ใช่อของเราเรานี่พอที่จะที่จะรู้ว่าเราเนี่ย มีอีมานที่แท้จริงหรือเปล่าทั้งนี้คนที่จะเป็นมุมิที่แท้จริงไงนะเขาก็จะไม่อ้วกไม่บอกว่านี่อิมานที่แท้จริเพราะการอ้างว่าเป็นอิมานอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาเป็นสัญญาณนชิมิมุมุมินไม่แท้จริงนึกออกมะมุมินที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุมินที่แท้จริงแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่า จะไม่มีสัญญาณอะไรเลยบ่งถึงเรื่องอ ي มานใช่มีมีลักษณะบ่งถึงเรื่องอ ي มานเรื่องปฏิบัติ่จะมีแต่เรื่องที่มันสำคัญที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะละระบุในอายะนี้อายะถัดมานี่ก็จะเป็นเรื่องด้านปฏิบัติด้านปฏิบัตินี่คนอื่นเห็นได้แล้วมันเป็นสัญญาณของผู้ศรัทธาเหมือนกัน ال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون وم ฟูสะแทนก็มีสมเรื่งเกี่ยวกับหัวใจและอีกสองเรื่องนะเกี่ยวกับการปฏิบัติภายนอกที่คนอื่นเนี่ยพอที่จะมองเห็นหนึ่งยุคีมูนั่ง صلاة คือบรรดาฟูที่ดำรงไว้ซึ่งการละมาการละมาตรงนี้หมายถึงว่าการละมา ท, ทั้งสอง ประเภทนะการละหมาดที่เป็นข้อบังคับที่เราเรียกกันว่าฟารดูหรือวาจิบหรือการละหมาดที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่เป็นเรื่องอาสาที่เราเรียกกันว่าสุนนะหรือนฟลูหรือตโตทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสัญญาณบง่งถึงความศรัทธาแม้ว่าจะละหมาด โดยที่คนเห็นหรือนนคนไม่เห็นการละหมาดคนเห็นเช่นการละหมาดจะมาละหมาดคนไม่เห็นเช่นละหมาดเตียมุเ ล, ลิมคนเดียวที่บ้า น, น, นไม่มีคนไม่มีคนเห็นแต่มันก็เป็นภาคปฏิบัติว่มิ ม, มาระักรน้าฮุมยุนฟิกุนและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพ รอสโคนาสิ่งที่เราให้เป็นริสกีเป็นปัจจียงชีพแก่แก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติแสดงว่าสองภาคปฏิบัตินี้ที่เรากระทำคำถามว่าหมายถึงว่าปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงหัวใจเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหัวใจเหมือนกันเพราะละหมาดมันก็ต้องมีนียต มีความบริสุทธิ์ใจใช่บริจาค ก, ก็ต้องมีเจตนาะต้องมีนิยมเพราะเรื่องบริจาคนี่ก็บริจาคทั้งฟรดูแล้วก็สุนทรเหมือนกันแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องมีนิย ด, ด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติของหัวใจอย่างเดียวเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเลาทูก กล่าวขึ้นมาหัวใจหวั่นเกรงอันนี้อาจจะไม่มีใครเห็นเลยก็ได้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แต่ภาคปฏิบัตินี้มันเป็นภาคปฏิบัตทิที่อุลมะเขาบอกว่าเป็นภาคปฏิบัติที่จะนามาซึ่งภาคภาคปฏิบัติทางอวัยวะภายนอกที่จะนามาซึ่งภาคปฏิบัติอวัยวะภายในก็คือหัวใจ หมายรวมว่าเราจะละหมาดด้วยหัวใจอย่างเดียวได้ไหม ม, มีที่บางคนบอกว่าละหมาดแต่ว่าอะไรอยู่ละหมาดอยู่ไหนนี่ไ ม, ไม่ไม่ได้เลยไม่ใช่เลยนะมันเป็นพากปฏิบัติภายนอกอันนี้คือเรื่องหลัก จะได้ทำเนะี่ยต้องเอาข้างในนี่ลากข้างในนี่มามามาตั้งด้วยมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนหน้านี้ น, น, นี่ภาคปฏิบัติสามสามอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่ไม่เดยวที่ไวยไละเอียดนิดนึงอย่างเรื่องแต่ว่ากุ้นเนี่ยมอบหมายมอบหมายบางคนเนะี่ยเข้าใจมอบหมายเนี่ยมอบหมายนี่คืออะไรคือเราไม่ทำอะไรไม่ใช่ ไอ้มอบหมายนี่มันไม่เกี่ยวกับอาวัยะวะไงมอบหมายนี่มันเกีกหัวใจบางคนบอกว่าไอ้มอบหมายเนี่ยคุณต้องไม่ต้องทําอะไรคือมอบหมายไงเฉยเฉยดูอัลลอฮ์จัดการทุกอย่างมีคนเข้าใจอย่างนั้นนะมีคนสอนแบบนั้นด้วยซ้าไปนะแต่ก่อนอยู่ที่อียเนี่ยอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาเล่าเขาบอกว่าเคยไปฮ่องกงฮ่องกงนี่มีคนเข้าไปบ่อยเคยแล้ว ไปทั่วฮงกงกันบ่อยแล้วก็มีพวกกลุ่มเนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะใส่เขียวหมดเลยนะสรบัณเขียวโต๊บเขียวอะไรเขียวหมดเลยพอเข้าแล้วอะนะไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งอาหารเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไม่อาหารมันมาเองเรามอบหมาย ต้องมอบหมายอย่างเดียวแล้วจะหิวแล้วไม่บอกเขาแล้ว่าหิวจะจะจะ ก, กินจะอะไรเนี่ยไม่ไม่เราไม่พึ่งพามานุษย์เลยมีมีมีลทัทธิแบบเนี้ลทัทธิที่เข้าใจอตะะัตวัคกุลเนี่ยเราเรียกันอัตวัคเ์นี่เข้าใจการมอบหมายว่าคือไม่ทำํำจริงๆไม่เกี่ยว การมอบหมายที่ได้จริงนี่ยคือทรท ม, มนะแต่หัวใจเนี่ยมอบหมาย อ, อย่างเช่นซาฮาบะที่เอาอูดมามายืนหน้ามาซิดแล้วก็เข้าไปพอออกมาแลนะ้วอูดไปแล้วเขาก็มาถามท่านนาบีเนี่ยผมผมนี่มามาให้อูดยืนตรงนี้แล้วมอบหมาย มันหายไปได้ไงเขาบอกว่าอหวกกิ่เหลอคือต้องผูกก่อนอหวกกิเหลฮอต้องทำก่อนว่าแต่ว่าเกินไม่ชีมอบหมายแล้วไม่ทำเนี่ยไม่ทำเนี่ยไม่ทำเนี่ยแล้วก็มอบหมายเนี่ย น, นี้เป็นการมอบหมายที่ที่ไม่ถูกต้องนี่ต้องอเขา้เขาใจให้ดีนะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขของการมอบหมายที่ถูกต้องนะจะปลูกข้าวอย่างเงี้ย นั่งอยู่กับบ้านก็มีทุ่งนายาวเว้ยเลยนั่งอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยเม็ดมันจะกระโดดเองไปในทุ่งนาปุ๋ยมันจะมาเองยาฆ่ า, มาแมลงมันจะมาโดนฉีดเองอะไรเงี้ยเป็นไปนไม่ได้หมนึงว่าทาเราทาแล้วก็มอบหมายแล้วก็เห็นไหมเมเล็ดมันก็จะงอกเงยขึ้นมาลเพิดผลเพิด พืชผลมันก็จะมันก็จะขึ้นมาด้วยอนุมัติจากพระสุภานะ <c oughs> แต่การละหมาดและก็สกาดมันจะเป็นภาคปฏิบัติอันดับแรกปฏิบัติปฏิบัติด้วยอวัยวะก่อนพอจะปฏิบัติแล้วนะต้องต้องมีหัวใจพร้อม ไม่ใช่ไม่ใช่ทำด้วยหัวใจอย่างเดียวแล้วมันจะได้แตว่ก ว, ตวกุศลแต่วกุลด้วยหัวใจวันเพล่งอ่ะด้วยหัวใจอีมาอ่ะด้วยหัวใจแต่ละมาดละมาดด้วยหัวใจอย่างเดียวเหรอไม่ได้สกาด้วยหัวใจอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ที น, นี้สองอย่างที่มันเป็นภาคปฏิบัตริรวมทั้งหมดนี้เท่าไหร่แล้วนะห้านะก่ อ, อนอันนี้สามแล้วก็อันนี้สองและสังเกตว่า โดย ส, ส, ส่วนเนี่ยหัวใจสามอวัยวะสองทั้งทั้งที่หัวใจเนี่ยมันน้อยกว่าอวัยวะภายนอกถูกต้องมหมแต่ทําไมศาสนาศา ส, สนาให้ภาคปฏิบัติของของหัวใจเนี่ยมันมากกว่างานหัวใจนะมากกว่างานภายนอกนั่นแสดงว่าหัวใจนี่สำคัญกว่าภายนอกอันนี้เป็นสัญญาณอันนี้เป็นบทเรียนไงที่เราได้ อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นบทเรียนในภาคปฏิบัติสองอย่างสองอย่างเนี่ยที่เราจะใช้อวัยวะภายนอกเนี่ยมันแสดงถึงการเสียสละที่แท้จริงที่ชีวิตของผู้ศรัทธานเนี่ยจะทำเพื่ออัลลอฮสุบฮานาหฺวตาละเพราะอะไรเขบอกว่า มนุษย์นีนะมีต้นทุนอยู่ในชีวิตนี่มีต้นทุนอยู่สองอย่างมีต้นทุนอยู่สองอย่างคนเราเนี่ยจะได้ทํางานเนี่ยต้องมีสองอย่างหนึ่งสตังค์ถูกต้องไหมต้องมีตังค์หรต้องมีทรัพย์สินนะ่ะ จะได้เริ่มทำธุรกิจอะแล้วจะไม่มีตังละ่ะคนที่ไม่มีตังเนี่ยเขาทำอะไรทำงานทำงานอะไรไอะที่เป็นต้นทุนของเขาฮแรงแรงนี่มันต่างคนก็ไม่เหมือนกันใช่ปะ่ะคนนี้ ทำงานออฟฟิศคนนี้ทำงานโรงงานแต่ต้นทุนที่มันเหมือนกันทุกคนน่ะทุกคนเหมือนกันน่ะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มอ่ะฮะไม่ใช่ตน้นทุนต้นทุนที่ไม่มีใครไม่มีเลยอ่ะนะมันก็เวลาเขาจ้างเนี่ยเขาจ้างยังไงอ่ะฮะจ้างความรู้ แล้วคนนี้ไม่มีความรู้เขาจ้างไหมเขาก็จ้างนะเวลาเขาจ้างนี่เขาจ้างเวลาถูกต้องปะเขาจ้างเวลาฉะนันสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันมีราคาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่ตัวงานไม่ใช่มันคือเวลาจ้าง ได้เงินเดินเท่าไรเท่านู้นเท่านี้ทํางานว่าเงินไขนี่วันละเท่าไรเขาไม่ได้บอกว่าอ๋อจะใช้ความรู้ของตัวเองในห้าสิที่เรียนมาเขาใช้เช่นนี้ไหมแต่อะไรที่มันจับต้องได้อ่ะนะเดี๋ยวจ้างคนวันละแปดชั่วโมงจ้างคนเดือนละยีสิบวันอะไรต้องปะ่ะต้นทุนนะ่ย พ, พอพิจารณาแล้วเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยต้นทุนมันมีสองอย่างมีสตังค์แล้วเวลา ทั้งสองอย่างนะมุมินกันบบให้อัลลอฮ์ยังไงอ่ะยุคีมุนสลเอาส่วนหนึ่งของต้นทุนหนึ่งคือเวลานี่นะไปทำอะไรไปละหมาดเห็นไหะแสดงคนที่เขาบอกว่าฉันทำงานแล้วก็เป็นมุสลิมเป็นมุมินพิสูจน์ดิถึงเวลาละหมาดละหมาดไหมแค่ไหนเลยตอนเขาจ้างเรานี่นะเราก็ต้องทำงานเต็มที่ให้เขาล่ะ แล้วเราในฐานะที่เป็นเบ่าของเราจะวิสูตรว่าเราเป็นเบ่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องแสดงว่าไอ้ส่วนหนึ่งของเวลาเนี่ยเราให้อ AH ัลลอฮ์ไหมเราเอาหมดหนปะ่ะเอาล่าเดียวขอจ้างเราต้องแต่แปชั่วโมงนั่นนอะแล้วก็ให้แค่เนี้ยสุดท้ายนี่ก็ผัดกระเพราวัน ล, ล, ละจารยน ซื้อยาโควิดสิบเก้ายังไม่มีเลยเขาจะเขาจ้างเราเวลาเยอะมากเลยแ่ะแต่ที่เขาให้เรานี่มันไม่คุ้มไปละไม่คุ้มคนที่เขาได้เงินเดือนเป็นล้านเขาก็บอกว่าไม่คุ้มใชอยางว่าคนที่ได้หลักพันหลักหมื่นน่นนะโอยน้อยเงินเดือนน้อยแม้กระทั่งคนที่ได้เงินเดือนเป็นล้านน่นนะโอยน้อยน้อย ค น, คนเข า, จาเจราจาเจรจางเงินเดือนเขาคิดเป็นเป็นวินาทีนะวินาทีละหมื่นขอต่อรองไอ้คนที่จะจ้างขอต่อรองลดไอ้คนที่รับจ้างขอต่อรองเพิ่มเพิ่มเพื่อทํางานกี่วิกนะกี <c oughs> ่วินาที พอตกลงแล้วนี่นี่ผมยอมอะแต่มันไม่คุ้มมานะสําสำหรับผมนี่ไม่คุ้มนะยังมียังมีไม่พอใจด้วยไม่คุม้มแต่สำหรับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กับเราละถ้าเราจะมานั่งมามานั่งนับเนี่ยมากที่อัลลอ์ให้เรานะกับการที่าการที่อัลลอ์จ้างเราทำอิบาด้านะมันคือไม่ต้องนับนะ ไม่ต้องนับต้นทุนต้นทุนเลยนะว่าเราสร้างเรามามาทั้งทีนะเป็นมนุษย์นะจ้างเราให้ให้ละหมาดให้สะกาศ 2.5% เรื่องที่มันเป็นฟ ร, รดูอย่างเดียวนะแล้วก็สิ่งที่ Allah ให้อะ่ะอ่ะปัจจียงชีบริสกีนโอ้ยนบไม่ท่วนสวัสดิการสวัสดิการดนะ้านสุขภาพ ดูสิเดีวนี้คนทีที่ที่เป็นโควิดกันแล้วก็เข้าเข้าโรงพยาบาลน่ะจะได้ตรวจเข้าเครื่องช่วยหายใจนี่ชั่วโมงละเท่าไหร่อ่ะฮะเราเให้เราหายใจเท่าไหร่ล่ะเอ่อทั้งวันหนึ่งทั้งวันทั้งคืนน่ะนอนหลับก็หายใจก็ไม่คิดตังเอาเยพะภายในที่มันทํางานที่ Allah ช่วยให้มันทํางานน่ะนี่เราก็ไม่คิดตัง แล่ Allah ต้องการให้เราได้แสดงสองอย่างที่ س س س س hay, ท ى. มันเป็นภาคปฏิบัติอันเป็นการแสดงเสียสละเสียสละอะไรต้นทุนในชีวิตสตังค์และเวลามีตังค์ไหมว่ามิมมะรซา قنائهم يُنفِقون มีเวลาไหม ا ل ีมูนُ ق ي م و ن الصلاة دمرموزن كالم สองอย่าง แล้วจะสังกิบสองคนที่เคร่งครัดคนที่เคร่งครัดในการทำสองทสองอย่างนี้อย่างเคร่งครัดนั่นนะก็คือเวลาละมาน้ก็ละมานถึงเวลาต้องออกสากานี้ก็ต้องออกสาการมันก็แสดงถึงความหวั่นเกรงที่อยู่ในหัวใจของเขาแสดงถึงอีมานที่อยู่ในหัวใจของเขา แสดงถึงการมอบหมายที่อยู่ในหัวใจของเขาเช่นเดียวกันใช่ไหมพอถ้าเขาไม่เกรงอัลลอ์ถ้าเขาไม่มีอิหมาดถึงเวลาละหมาดทำไมต้องละหมาดล่ะเขาจะไปกดตังได้อะละหมาดแล้วมีกดตังด้วย ไ, ได้ซองไหมไม่มี เขาตัดเวลาในการทำมาหากินของเขาเนี่ยเพื่อไปละหมาดแสดงว่าเขามอบหมายหแดยนนสดงว่าเขามอบหมายละหมาดแล้วก็ไม่อดอยากอันนี้แสดงว่ามอบหมายแสดงว่าเชื่อปวถทา ะ, ะมาดนี้ไม่อดอยากทารมาดนี้ไม่เสียหายแสดงว่าตวคุลวะแสดงว่าเขามอบหมายว่าอลลอร บ, บีฮิฮยะตะวกรุนแสดงว่าสองอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งสมอย่างแต่ต้องทาอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าทําแบบตามอัธยาศัยตามอํมเาเภอใจอ่ะนะสะดวกก็ทํามันก็ไม่เป็นสัญญาณถึงสามอย่างน ะ, ะถ้าตังเยอะถึงจะออกอากาศบางคนก็ต้องกงินข้ามเลยนะถ้าตังน้อยนี่ออกสกาศถ้าตังเยอะนี่ไม่ออกอากาศ <c oughs> สมมติว่ามีเงินอยู่แสนหนึ่งมันเท่าไหร่ประกาศสองพันห้า เออไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกนึกกระที่แต่ถ้ามีตังค์อยู่ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเท่าไหร่สกัดเท่าไหร่หมืถ้ามีตังค์อยู่สี่ล้านอย่างเงี้ยสกัดเท่าไหร่แสหนึ่งเอ้ยอ้ยมีแสหนึ่งแล้วน่ะโอ้ยเจ็บ เออบางคนก็ตกเงินข้ามานนะพอตังเยอะก็ไม่ออกอกกาศพอตังน้อยเหนียวออกอากาศไงมั น, ม, น, ม, นมันไม่ไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกแต่พอตังมันเยอะเนี่ยและนี่คือลักษณะของขอ ง, ของคนขี้เหนียวคนตรณีทีเหนียวเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าเออตอนมีตังน้อยนี่เขาก็ให้อ น, นี้ไงไม่เห็นไม่เห็นจะขี้เหนียวเลยใช่เพราะพอาะเขาไม่รู้สึกเยวันส่วนน้อยไง แต่เราจะรู้ยังไงว่าคนใจบุญแล้วก็ไม่ไม่ตรณีเนีน่ยอ่ะเวลาเวลาถึงจะต้องจ่ายเยอะต้องบริจาคเยอะนี่เราพูดถึงเรื่องฟรุูนะยังไม่ได้คุยกันว่าบริจาคแบบอาสาไอ้ที่บริจาคนมีอยู่สี่ล้านเนี่ยต้องบริจาคว่ายิบต้องบริจาคหนึ่งแสยังไม่ได้พูดถึงเรื่องซุนนาหนานะแล้วจะบอกว่าเอา้าคุณบริจาคอยู่แสนหนึ่ง แล้วก็บริจาคซุนนาอีกแสนหนึ่งโอ้ยนี่ไอ้แสนนึงเนี่ยมันมันสาหัสแล้วมันมันกระทบมันกระทบแล้วจริงๆมันไม่กระทบคือคือเขามีนี่ตังค์นี่เขามีเยอะอยู่แล้วไงแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนที่มีความทอนีเราต้องต้องคลิ้งคลัดในการสำ ร, สำรวจ หัวใจของตัวเองตอนปฏิบัติสองอย่างเนี่ยเรื่องละหมาดและก็เรื่องอากาศหั่นสองอย่างนี้โดยจะมีในสุรษฐาตัวบาฮ์ร์เนอัลอัมฟานนี่ติดกับตาวบาห์นะแล้วก็สุรษฐาอัลอัมฟานถูกประทานลงมาในช่วงแรกๆของ ที่นายอยู่ที่มาดินนะนี่ช่วงบัตรหลังสองคมบัตรสองคมบัตรปีที่สองที่สามอัตตาว่าล่ะต่อบ่าน้นปีที่ปีที่แปีที่9แล้วก็มีก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ซูร์เตลอัมฟฟลจะพูดถึงบรรยากาศ บรรยากาศช่วงแรกที่มาดีนะในยามสงครามที่มีคนแสดงออกมาซึ่งแสดงออกมาซึ่งการเสียสละเพื่อศาสนาอย่างแท้จริงแต่อัตตาบาเนี่ยเริ่มมีเรื่องมุนาฟิกเริ่มมากขึ้นละ และคนแสดงความไม่ให้ความร่วมมือกับท่านนาบีจึงเป็นการเปิดเผยพฤติกรรมของเขาสุรัตอัลอัมเฟลนไม่มีการต่อต้านพวกโมนาฟิกมากมายแต่อัตวานีมากมายแต่เนื่องจากว่าสุรัตอัลอัมเฟลก็เป็นบรรยากาศสงครามเหมือนกันสงครามบัต อัตตะวะก็เป็นบรรยากาศสงครามเหมือนกันนะแต่สงครามแต่บุกสงครามบาตรเนี่ยไม่มีใครยึกยักลังเลที่จะไปไปสู้รบกับท่านนบีมากนักแต่อัตตะวะนี่มีเยอะหน่อยทั้งสองนี่เป็นบรรยากาศสงครามนะจนกระทั่งซาฮบะนี่ผมมารวบรวมอัลกุรอานเนี่ย อย่างที่ท่านาบีเสียชีวิตไปแล้วตอนที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยกุฎอ่านจะถูกประทานลงมานาบีจะมีสหาบยที่เป็นผู้บันทึกใช่ไหมพอคุฎอ่านถูกประธานลงมาเนี่ยนบีก็จะเรียกสหาบยที่เป็นผู้บันทึกเนี่ยให้บันทึกกุฎอ่านส่วนที่บันทึกเนี่ยถูกบันทึกเนี่ยก็อยู่กับคนคนนี้บ้างคนคนนู้นบ้างมีท่านอาลีบนะอับดุลตารีบบ้างมีท่านมุอาอิยะบ้บางมีหลายคน ไม่ได้ถูก ร, รวบรวมในเล่มเดียวสมัยท่านนบีสุลลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาムแต่มันถูกรวบรวมคุรานทั้งหมดเลยนะกับสหาบะางหลายคนกับสหาบะางหลายคนอันี้บอกเข้ามารวบรวมอีกก็มารวบจะมารวบรวมในเล่มเดียวถ้ามารวบรวมในเล่มเดียมันต้องเรียบเรียงถูกต้องมหมซูร่าที่หนึ่งอันไหนซูร่าที่สองอันไหนซูรา่า บทที่สามที่สี่ที่ห้านี่จะมารวบรวมอันนี้เนี่ยท่านนาบีสุลต่านไม่ได้แนะนําคือท่านนาบีไม่ได้แนะนําว่าแต่ละสุราจะต้องมาปฏิปะต่ะกันยังไงตั้งแต่ฟาตีหายนจนถึงสุดจนถึงสุดอันนั้นานนบีไม่ได้แนะนําแต่จะมีบางหมวดที่ท่านนาบีจะแนะนําบางหมวดเท่านั้น บางหมวดนี้สหภาพไม่รู้ว่าตกลงสุรษะอัลอัมฟาลกับอัตเตาบาเนี่ยอันไหนมาก่อนแต่สหภาพเขาสังเกตว่ามีลักษณะคล้ายๆกันว่าบรรยากาศทั้งสองสูรษะเนี่ยถูกประทานลงมาในช่วงที่มีสงครามก็เลยเอามาเอามาอยู่ใกล้กันอัมฟาลและกเตาบา และสหบาลนี่ยังยังมีข้อสงสัยด้วยว่าตกลงอัลฟาลกับเตวบ้เนียเป็นสุร้อเดียวกันหรือเป็นสองสุร้อการที่ไม่มีเขาไม่มีตัวบทชัดเจนว่ามันเป็นสุระเดียวกันหรือสองสุรเนี này, ah ่ยทำให้สหบาลเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่บิสมิลลาในต้นสุร้อนอัตวบะนี่เนี่ยสาเหตุที่ว่าพอเปิดสุร้อนอัตวบนีุ่รอตวบไม่มี บิสมิลลาฮ์นี่อันนี้นึกซ่าเห็นนะงูสูรตัวบิสมิลลาฮเพราะมันคล้ายๆกันจนก็ต้องสอบบ้างนี่เขาสงสัยว่ามันอาจจะเป็นสูรเดียวกันก็ได้พอไปดูแล้วเนี่ยเออบรรยากาศมันก็เป็นบรรยากาศเรื่องสงครามกําลังจะบอกว่าบรรยากาศกับบรรยากาศสงครามคล้ายๆกันนะน้ ในเรื่องอะไรในเรื่องการพิสูจน์การเสียสละกการเสียสละในสองคำบัตรซึ่งอัลลอุสซานฮวาลาพูดในเชิงชื่นชมมากกว่าแต่ในในสุลตัลวเนียพิสูจน์เรื่องความศรัทธาในเชิงตำหนิตาหนิพวกมุนาฟิกมากกว่าเช่นตรงเนี้ย เราอยากจะบอกพูด ต, ต, ตั้งแต่ต้นสุรานี่พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยอย่าไปใส่ใจเรื่องทรัพย์สิสนอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยยึดติดกับการแบ่งทรัพย์เฉลยนะพวกเรานี่จะต้องมาสํารวจสํารวจหัวใจของตัวเราเอง แบ่งแล้วแบ่งทรัพย์สินแล้วนี่แล้วก็ต้องรักษาซึ่งความตักกวาแล้วก็ปรับปรุงซึ่งระหว่างกันความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเห็นไหมแล้วก็มาสํารวจเรื่องอีมานเรามีไหมวันเกรงมีไหมอีมานเพิ่มพูนไหมแต่ว่ากุศมีไหมละหมาดมีไหมสะการมีไหมอัลลอฮ์กำลังบอกว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องกับเรื่องวัตถุ เป็นความสมควรสําหรับคุตตานที่จะเป็นคำภีร์แห่งทางนําถ้าสังคมเนี่ยศึกษากุตตานแต่สังคมเนี่ยเอากุตตานมาเป็นทางนำเนี่ยนี่เราจะได้บทเรียนแบบเนี้ยเฮ้ยเราเยียดยียให้ความสําคัญกับวัตถุแล้วโวยแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงอะลองคิดดูแต่สังคมไม่ได้เอากุตตานมาเป็นทางนําไง สังคมเอาอะไรเป็นทางนําอัตราเงินเดือนคนนี้เงินเดือนมากกว่าคนนี้เงินเดือนน้อยกว่าคนนู้นคนนู้นราได้มากกว่าคนนี้มากก็เลยแข่งขันกันในเรื่องวัตถุคนนี้มีรถคนนี้ไม่มีรถคนนี้มีนาฬิกาคนนี้ไม่มีนาฬิกาคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นสังคมก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าเรื่องอื่นความเป็นพี่น้องล่ะความแยมเกรงล่ะการเสียสละ เป็นเป็นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสําคัญไหมไม่มาจากอะไรเ่ยก็มาจากการที่เราไม่ได้เอากุตตาเน่ยไม่ได้อ่านกุตตาแล้วก็เอามาเป็นทางนํานียเอาอย่างอื่นก็ดูถามว่าเราดูทีวีเราดูดูเน็ตดูเฟซอะไรเงี้ยอะไรที่มันขึ้นมากกว่าอายะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยอายะกุตานะจงเยียมเกรงอัลอเลยกำลังอ่านโพอสอะเนี่จยจงเยีมเกรงอัลออะไรเงี้ย ขึ้นไหมเงี้ยสิ่งที่มันขึ้นนี่คือวัตถุถูกต้องปะสิ่งที่มันขึ้นมานาฬิกาเดีรถวัตถุทั้งนั้นให้พวกเราทุกคนมีอะไรอ่ะมีความอะไรอ่ะความอยากเออความอยากเพรเราเห็นอะไรมันขึ้นเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็นาฬิกาเดี๋ยวก็เสือ้อเดี๋ยวก็รองเท้าเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นั่นมันก็มาอยู่ในหัวใจมันอยู่ในสมองหมดเลย พอเราออกไปใช้ชีวิตนะนะเราก็จะดูดูแต่อะไรอ่ะดูแต่เรื่องนี้ไงถ้าในชีวิตของเราเนี่ยกูดอ่านแบบเนี้ยคือน้องลองคี่ดูซิถ้าสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าโฆษณาที่มันขึ้นในทีวีตลอดเนี่ยนะโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องศิลธรรมดังนั้นและสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาในในเฟซบ o ๊กเนี่ยการ์วุนแต่เป็นเรื่องคําสั่งสอนอนะ่ะคนละเรื่องสิ่งที่มันเป็นวัตถุนี่มันก็จะเริ่มตกต่ำไม่มีราคาไง เพราะสิ่งที่เป็นวัตถุถูกโฆษณาสิ่งที่เป็นศิลธรรมถูกโฆษณาหมาไม่ถูกโฆษณามีไหมบริษัท ต, ต้องการโฆษณาความยีมเกรียงบริษัท ต, ต้องการโฆษณาการเสียสละมีไหมไม่มีมันจึงเป็นเป็นภารกิจของพวกเราเองส่วนตัวของพวกเราเองที่จะลด ความสนใจกับเรื่องวัตุลดยังไงก็มันเด้งขึ้นมาลดยังไงมันเด้งขึ้นมาดูทีวีมันก็ปึ๊ขึ้นมาทำยังไงแกยังไงแกได้สมัยท่านอบีสมัยซาฮาบะเนี่ยมันก็มีเรื่องวัตุเหมือนกันอันเนี้ย ทำสงครามเามาละซับเฉลยไหมซับเฉลยมาละทำยังไงอ่ะคือเราต้องมีมาตรการเตือนสติเตือนหัวใจของเราเสมอพอแน่นอนสิ่งที่มันเด้งขึ้นมานี่นะมันไม่มีความสำคัญ หากว่าหัวใจและสมองของเราไม่ให้ความสำคัญยกตัวอย่างเราเนี่ยเป็นเป็นคนแข็งแรงอวัยวะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มีโฆษณาเด้งขึ้นมานะโฆษณารถเข็นคนพิการอย่างเงี้ยสนใจมหเราสนใจไหมไม่สนอาจจะสนใจให้คนที่เรารักที่เอ๊ที่เรา สงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาแต่แต่เราเองอสนใจไหมเราไม่สนใจถ้าเราไม่รู้จักใครที่ต้องการเนี้ยผ่านเลยเห็นไหมมันก็เด้งขึ้นมาแต่เราไม่ให้ความสําคัญเราไม่ความสําคัญเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการมันอา้าวก็แสดงว่าสติและหัวใจของเราเนี่ยยังแยกได้นะอะไรที่ต้องการแล้วไม่ต้องการนะ่ะใช่ไหม ถ้าเราเป็นนักกีฬานี่พอรองเท้ากีฬาขึ้นมาเนี่เด้งกันอ่านน่ะเป็นมากันกำลังอ่านกุรอ่านอยู่นั่นนะเดียวกันทีก่ดกําลังอ่านุรอ่านนี่มันงหรือกำลังอ่านโพสอะไรดีๆเนี่ยนะเออมีผูรู้กำลังโพสอะไรที่กำลังอ่านอยู่นีเด้งาอ่ะเดี๋ยว่อนาจารย์เดี๋ยวแป๊บเดียวอาจารย์ดูเท่าไหร่พรามันดึงพราะมันดึงไง หัวใจของเราดังหากที่มันไม่ด้ถูกมันไม่ได้ถู ก, ถกบริหารจัดการในการลําดับความสําคัญทําได้กระแสนิยมในสังคมถึงแม้ว่าสังคมเป็นสังคมวัตถุนิยมให้ความสําคัญกับวัตถุแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าสังคมสามารถที่จะมาปรับ ค่านิยมในหัวใจของเราเป็นเป็นไม่ได้เ ป, เป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเขาต้องต้องมาฉีดยาทุกคนนะนะแล้วก็เอามามามาใส่อะไรอ่ะรือะไรอะอะไรที่มันปรับกระแสอะไรอะไรที่มันอยู่ในหัวใจของเราสมองของเรามันอยู่ในการควบคุมบริหารของเราทั้งสิน้น เราสามารถที่จะปรับอัตราความสนใจความสำคัญของวัตถุตามความต้องการของเราถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับกุตอา่านกับทางนำโดยการอ่านการศึกษาไตรตรองซึมซับก็เหมือนหลายคนไงเาก็เขาก็เปิดทีวีเขาก็ดูเน็ตเขาก็เล่นเฟซเขาก็เล่นไล แต่ดูข้อแตกต่างระหว่างแต่ละคนนะนะคนเข้าเฟซคนเข้าเน็ตคนเปิดทีวีนะเขาเข้าเน็ตเขาเปิดทีวีจะได้ดูอะไรที่มันไร้สาระเพราะหัวใจและกสมองของเขานี่มีแต่เรื่องที่มันไร้สาระแต่ถ้าหัวใจและสมองของเราเนี่ยถูกปรับแล้วทัศนคติเนี่ยถูกปรับว่าอย่างดีน ะ, ะเราจะเข้าเน็ตเราจะดูทีวีเนะี่ยเราก็จะจะหากดปุ่ม ก็จะขอดูอะไรที่มันมีสาระมันก็ขึ้นอยู่ที่เราถ้าประการนี้ทำแล้วนะอลห์ยืนยันตอนอายะที่สองนี่บอกว่าอินนัม um ัลมมินแท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะก็คือคนที่ทำอย่างนี้ห้าประการพอจบแล้วนะทำแล้วนะอัลลอห์บอกว่าอุลัยกะหูมุลม um ุมินูนฮะก็ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงุลัยกะฮุมุลมุมินูนฮักอฮักอศรัทธาอย่างแท้จริงแสดงว่าการที่เราจะการันตีกับตัวเราเองการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องอีมันของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรืญญ่องยากเราก็มาสารวจนี่นี่ดูสำรวจห้าอย่างเนี่ย หัวใจของเราเมื่อพระนามของลอถูกเอ่ยมาเนี่ยวันเกรงไหมวันเกรงมันก็มีหลายระดับะนะฟังกุรอ่านแล้วเรารู้สึกอีหมันเพิ่มพูนไหมสถานการณ์ต่างๆเรารู้สึกมอบหมายต่ออัลลอสซุบฮณฮานาอฺเวลาไหมบางคนบอกว่า ก็รู้สึกนะเวลาเวลาพระนามองพระาถูกเอ่ยมาเวลาฟังกุรานก็แต่ไม่แน่ใจใช่เราสามารถให้คะแนนกับตัวเองเราสามารถสัมผัสกับปริมาณปริมาณจำนวนอีมานของเราพอสมควร สามารถนะและอันนี้แหละที่มันจะเป็นดัชนีชีวัตถึงตำแหน่งของเรานะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอัลลอฮ์จึงบอกว่าละหุม درجات تُن عند ر ب ه م โดยที่พวกเขาจะได้รับหลายที่นี่เขาเขียนชัน ไปดูเล่มอื่นอของอาจารย์ตีเดกก็เขียนชั้นแต่ดาราญตนี่มันไม่ใช่ชั้นดราญตเนี่ยถ้าแปลนะดาราญตนี่คือขั้นและระหว่างสอชัระหว่างคำว่าชั้นกับขั้นเนี่ยต่างกันกแค่แค่อะไรแค่หางะ่ะ แค่หางก็เลยสสนอทีฐานว่าเป็นไปได้ว่าพิมพ์ผิดเป็นไปได้นะว่าพิมพ์ผิดมันต่างกันแค่เนี้หางของชาช้างชช้างอย่างเดียวถ้าเขียนจนะเขียนเหมือนกันเลยชั้นขั้นดารจักดรจักรไปว่าขั้นไ ม, ไม่ไม่ใช่ชั้นคือแปลไม่ได้เป็นชั้นเนี่ยไม่ได้เลย ชั้นนี่ก็ก็คือตอบก็และในอายะอื่นๆนะ น, นะที่ใช้คำว่าพระเจ้าเนี่ยเขาก็แปลถูกขั้นแต่อันนี้มาแปลเป็นชั้นผมว่าอาจจะอาจจะพิมพ์ผิดเอาว่าเป็นว่าเป็นพิมพ์ผิดแล้วกันนะที่ถูกต้องนี่ก็คือโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณนะพระเจ้าของพวกเขามันก็เข้ากันไงได้รับขั้นหมายถึงว่าเพิ่มขั้น แต่เพิ่มชั้นมันก็อาจจะได้อะนะแต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป๊ะโดยที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับหลายขั้นหมายถึงว่าเพิ่มขั้นเพิ่มให้ขึ้นขั้นนะขึ้นระดับดรดัจขั้นขั้นบันได น, นะนะพระเจ้าของพวกเขา คุณลมาบอกว่าอะไรบอกว่าเพราะห้าประการที่เป็นตัวพิสูจน์เนี่ยทั้งสามอย่างของหัวใจแล้วก็สองอย่างของข้อปฏิบัตินี่นะแต่และคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันละหมาดนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกัอากาศนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันลบางคนนะ่ะบางคนบางคนนะ่ะบริจาคบาทเดียว แต่บีคนหนึ่งบริจาคแสนหนึ่งคนที่บริจาคบาทนึง่งอะนะมีมีคุณภาพมากกว่าที่บริจาคแสนหนึ่งถูกต้องไหมาการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าแสดงว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนแสดงว่า การทำงานของหัวใจและการทำงานที่เป็นภาคปฏิบัติของเราเนี่ยคนเราเองเนี่ยสามารถปรับขั้นรางวัลของเขาในสวรรค์เพราะอันนี้นะอัลล์นี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าอัลลอ์สุบฮานะหัวดาลได้ให้ยศให้ตำแหน่ง ให้ขั้นแต่สูงหรือต่ำกว่าเนี่ยมันก็ตามภาคปฏิบัติทั้งหัวใจภายในแล้วก็ภายนอกแสดงว่าเราก็สามารถปรับขั้นของเราเนยอยากจะขึ้นอยากจะลงอะนะอยู่ที่เราโอ้โหแฟที่สุดเลยนะแฟกับระบบฝ่ายบุคคลใน ในองคอ์กรต่างๆเนี่ยแล้วบางทีในหัวหน้าเราเนี่ยเขาให้คะแนนเราเราให้คะแนนตัวเองไม่ได้นะบางทีเนี่ยเราทํางานเต็มที่เลยคนมาที่หลังเนี่ยขึ้นแล้วมาเป็นไม่ใช่อันนี้อยู่อันนี้อยู่ที่เราก็สามารถเราสามารถรู้รู้รู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำทำมาในสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ย มันมีคุณภาพแค่ไหนมันมีมันมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองละ هم درجات عند น ب ه, ه, ن ن ب ه م ละอัลลอฮฺบอกว่าน้อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى พวกเราจะได้มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮุ س ب ح น ن ه และ تعالى จัดการไม่มีมนุษย์เข้ามายุ่งแสดงว่ามีความยุติธรรม และนอกจากจะมีความมิติธรรมแล้วก็จะมีใจบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละด้วยทั้งในโลกนี้ขณะที่เรายัางยังไม่ได้เสียชีวิตนะแต่เรากำลังดำรงซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ข้อฮะข้อนี่แต่เรามีตำแหน่งนะอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละขณะที่เราอยู่ในโลกนี้อัลลอฮฺ แล้วอัลลอ์ก็จะให้อภัยโทษทั้งในโลกนี้ขณะที่เรากำลังทำละหมาดกำลังบริจาคสการกกำลังแตะวกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์กำลังฟังกุรานและเพิ่มพูนกำลังฟังพระนามอัลลอฮ์ถูกเอ่ยมาแล้วก็หวั่นเกรงมันก็ช่วยลดช่วยลบความชั่วที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างนั้น ความมร์ุนและในวันเกียรมะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการให้อภัยโทษเช่นเดียวกันวาริสุนกะรีมและจะได้และปัจจัยยังชีพอันมากมายแปลคาว่ากะรีมแปลว่ามากมายกะรีมเนี่ยกะรีมเนี่ยมีหลายความหมาย กะรีมาจากกะรอมะกะรอมะเนี่ยแปลว่าเกียรติยศเกียรือกะรี ม, มาจากกะรอมกะรอมแปลว่าใจบุญส่วนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยปัจจัยยังชีพนะริสกีเนี่ยจะผูกพันกับ ความใจบุญมากกว่าเพราะปัจจัยอังชีพเนี่ยมันก็คือเรื่องเรื่องทรัพย์ไเรื่องทรัพย์ฉะนั้นถ้าเขาอยากจะบอกว่าคนนี้ให้ให้ให้ทรัพย์ให้เยอะนะเพราะเขาใจบุญนะคนนี้มีคนนี้ใจบุญนะนะฟูลแลนนคนนี้กระดีมุน เป็นคนใจบุญกรีมเนี่ยมีกระมก็คือคนใจบุญที่ให้เยอะให้เยอะอันเป็นที่ไปที่มาของคำว่ามากมายเพราะคนที่ให้เยอะนะก็จะเรียกกระรีมพอ น, นี้เ็าบอกว่าปัจจจยงชีพการีมหมายถึงปัจจัยงชีพที่มากมายงออกมาอันนี้ที่ไปที่มาแต่ตัวปัจจัยงชีพเนี่ยมันจะใจบุญได้ปะไม่ได้ แต่เวลามมืองนั้นแล้วทำไมแล้วทำไมอัละะอลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพว่ามีคุณลักษณะว่าเป็นกระรีมเพราะใจบุญนะเขาบอก ว, ว่าเพื่อให้เรารู้ว่าตัวปัจจัยยังชีพนี่นะตัวปัจจัยยังชีพเนี่ยที่มันไม่มีไม่มีสตินี่นะปัจเจยังชีพนี้ก็คือสิ่งที่เราบริโภคใช่ปะ ริสกีะนะริสกีนะนะอันนี้จะจะกิดมากกว่าปรจเจงชีวริสกีริสกีที่มากมายเนี่ยมันใจบุญนะนะคือริสกีเนี่ยมันรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักมันยังไงอะเรากับปัจจัยยังชีพเนี่ยใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้รับ เาเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ให้ เ, เป็นผู้รับไงผู้ให้สําหรับปัจจัยยังชีพนี่นะก็คืออัลลอฮ์ที่จริงเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ใจบุญกระ rim แต่อัลลอฮ์ให้ลักษณะกระ rim เนี่ยกับปัจเจยังชีพเนี่ยนะเพื่อให้เราได้ตระหนั ก, กว่าปัจเจยังชีพนี่นะชั่วแน่นอนความมากมายของมันนี่นะแล้ว Allah ให้เราที่มีลักษณะเนี้ยดังกล่าวเนี้ประจัญชีพเนี่ยมันจะมาหาเรามันจะมารู้จักเรามันจะมาถึงเรามันจะมาเกาะติดกับเราเพราะมันรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักมันริสกีเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าอันไหนของเราไคแต่สิ่งที่ Allah กาหนดแล้วว่า เอริสกี้นี่ของคนคนนี้เนี่ยเอริสกีนี่มันรู้เจ้าของของมันนี่คือใครถูกต้องมะมแต่เราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าริสกีของเราเนี่ยคือตัวไหนอะแต่ริสกีเนี่ยมันรู้แล้วเพราะมันก็เป็นเบ่าของอัลลอฮฺมะฮ์นาห์วะดาลแ ล, แล้วมารับบัญชาจากอัลลอฮฺว่าฉันนี่นะเป็นของใครเป็นของคนนี้และริสกีนีก็มีหน้าที่ที่จะวิ่งไปหาบุคคลที่อัลลอฮฺกำหนดว่าเป็นเจ้าของ ทั้งทั้งที่ตัวเราเองอะนะตัวเราเองก็ไม่รู้จักว่าว่าตัวไหนกันแน่อาฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ที่จะวิ่งตามริสกีหรือจะวิ่งตามผู้ให้ริสกีริสกีนี้ก็คือทรัพย์สินทรัพย์ที่มันเต็มโลกไปหมดเนี่ยที่เราเข้าใจว่าเนี่ยคือริสกีของเราใช่ปะ การตลาดนี่สอนให้เราวิ่งตามริสกี้แต่ศาสนาสอนให้เราวิ่งหาอัลลอฮ์นี่ข้อแตกตาการตลาดตามหาลูกค้าตา้องว่าแต่หาลูกค้าทําไมอ่ะมันริสกี้หุ่งยยนะคือง่ายหใหญ่พ่านนะลูกค้าคนนี้นีผ่าดแล้วดูวไม่มีริสกี้ รู้ยังไงไอ้วิสกีอยู่กับคนนี้รู้ยังไงเราทําหน้าที่ในการที่จะในการที่จะทําสบับคือปัจจัยต่างๆกันนะที่จะให้วิสกีมันมาแต่มันจะมาหรือไม่มานี่นะเราข อ, อ, ข อ, ส, าขอาสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวยูคนหนึ่งเป็นประจาน อยู่คนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีแล้วชื่อลิฟว์บอลฟรานซ์ชายที่ทำไม่เขารับอิสลามเขาอยู่ยุโรปนู่นเขาไปเที่ยวซีเรียเช่าโรงแรมนั่งที่ระเบียงข้างล่างเนี่ยเขาก็ดูดูข้างล่างเนี่ยมันมีสองร้านน่ะ แต่ก่อนนู้นน่ะรงได้มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนะชิงเงื่อที่ระเบียงนี่ก็ได้ยินแล้วคนเขาเดินไปคุยอะไรก็เห็นสองร้านนี่นะขายสินค้าเดียวกันร้านนี้ลูกค้านิ ย, ยุบมากอีกร้านหนึ่นนะงนะโต๊ยูไม่มีใครเลยอันนี้เขาได้บทเรียนนึง่งเลยนะก็สองร้านนี่ขายสินค้าเดียวกันแต่ทําไมร้านนี้มีมากกว่าร้านนูน้นไม่มีแต่ที่เป็นข้อสังเกตอ่ะ พอเขาเนี่ยนั่งมองสังเกตทั้งวันเลยนะเขาก็จะเห็นเจ้าของร้านนะ่ะที่คนมาเยอะอ่ะนะกับลูกค้าหลายคนนะ่ะสินค้าเขามีอนะ่ะเขาบอกกับอ๋อสินค้านี้ผมไม่มีไปดูร้านนุสินค้าฉันไม่มีไ่ไปดูร้านนุษยเขาไม่มีแต่บางทีเขารู้เนะวีว่าร้านนี้มีสินค้า เพราะว่าถ้าเป็นคนที่อยากได้รายได้อย่างเดียวนะขอให้ร้านข้างๆนี่เจ๊งแล้วปิดไปเลยเนี่ยกูจะได้ขายคนเดียวถูกต้องมหแต่เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้มุสลิมเนี่ยเสียสละและก็ยอมโกหกว่าเขาไม่มีสินค้าเพื่อให้ การเพื่อนบ้า น, นจะได้มีขายจะได้มีมกินเขาเนี่ยสาเหตุดึงที่ทำให้เขาเนี่ยรับอิสลามลรือโวลฟนส์เนี่ยแล้วก็เรียนเขาก็ไปเรียนศาสนาแล้วก็แปลความหมายคุรอ่านเป็นภาษาอังกฤษฉบับแรกในโลกที่มีชื่อเสียงมากและตั้งชื่อดังมากคนนี้ชื่อมูฮัมหมัดอัสดัด ใช่หนึ่งอ่ะบทเรียนที่มาจากเรื่องริสกี้นี่แหละจากมุสลิมที่ไม่มีไม่มีความความตรณีไม่มีความรู้สึกว่าเออฉันต้องฉันต้องได้คนเดียวฉันต้องไม่ใช่การแบ่งปันการสานับสนุนการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขแล้วก็ไม่ขาดปัจจัยงชีพไม่ขาดทักษิที่ Allah h h อัลลอฮฺสุภาห์นโมต่าละไดะกับอีกข้อสังเกตนี่นนะครับพี่น้องแล้วอัดัเจาตัวไหนอนดับบิฮิมเขาจะมีขั้นสูงคนที่ปฏิบัติาหาเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีขั้นสูงขึ้นนะอัลลอฮฺสุภาห์นโมต่าอันนี้ สัญญากับอัลลอฮ์นี่ว่า น, นี่เจะเพิ่มอัลลอฮ์จะเพิ่มขั้นให้เขานะสองมัลฟิรอให้อะไรทุกอวริกุนกะรีมมันเป็นสามอย่างที่ครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ คนเราต้องการประแจงชีพต้องการกรสกีและเธอมีบาปต้องการให้อัลล์ลดลบบาปและต้องการขึ้นขั้นสามอย่างที่พวกเราต้องการทั้งสามอย่างเลยได้หมดเลยทั้งในโลกนี้ แลวก็ในโลกหน้าในโลกนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนที่มีมีขั้นสูงนะอัลลอฮ์สุบฮานอวะดาละแน่นอนในสังคมก็จะเป็นคนที่มีเกียรติทาไมอ่บุคคลที่อัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยอัลล์ก็จะให้คนรักท่านนบีสุลแลลลอฮ์วะลียยุสลลัมบอกอินนัลลอฮะอีดะฮับะอับด سال الله ركعيني نادى في السماء يا جبريل يا جبريل أي إني أحب فلانا فأحبه، شندي ركوني لاو، لَنَجَاءُ تَعْوُ تُنْرَكَهُ فَيُنَادِي ج ب ْ ر ِ ي ل ُ فِي السَّمَاءِ ج ب ْ ر ِ ي ل ن ي َ ت ن ْ ر َ ب ُ بَعْضَ ِ ي ت ُ م ْ ا ل ل َ ه เรียกมาเลยกาทั้งหลายอินนัลลอฮฺหะดอาฮบบะฟุลานันฟะฮิบบูทัิงนั้นอัลลอฮฺทรงรักคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักเขาโอมาเยกาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ต้องรักเขาและอัลลอฮ์รักเขาเลยนะฟัยูฮิบบูอัลลุสซาบะชาวฟากฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็รักคนคนนี้ ثم ์ยุคตุ له ลับวุ่นลุฟิลอารหลังจากนั้นนในโลกเนี่ยในโลกเนี้ยอัลลอฮ์ก็จะบัญชาว่าจะถูกยอมรับถ้าเรามีถ้าอัลลอฮ์ให้ درج ัดมีขั้นสูงเนี่ยเกียริเกียริขนาดนี้เนี่ย ไม่มีใครได้หรอกแต่คนที่แสวงหาเกียรติในโลกนี้อย่างเดียวอยากได้มียศอยากได้มีตาแหน่งในโลกนี้อย่างเดียว ก, ก็อาจจะได้ดังมากในในโลกนี้แต่ข้างบนนะ่ะอาจจะคนละอย่างเลยก็ะไรว่ามารฟื้รอ อภัยโทษน่นะแสดงว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะัเราจะละหมาดจะสะกดจะตะวกุลเราจะขวันเกรงเราจะอี م ا ن เพิม่มพูนแค่นั้นเราก็ยังต้องมีบาปเรายังต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺและเรื่องอภัยโทษนี่มันอยู่ระหว่างข่านตรจัดและอยู่ระหว่างริสกีอยู่ตรงกลางเพื่อให้เรา ให้ผู้สถัาที่แท้จริงวะแล้วก็ล่อ้แก่ผูมุ่ยนั้นพักผ้าู้สถัดที่แท้จริงเนยต้องทําอะไรมันขออภัยโทษทอลล์สวรรค์ต้องขยันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันละมาดขนาดไหนแล้วอากาศระดับไหนแล้วฮะฉันฉันคงสบายแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางเนี่ยมักฟิเราอยู่ตรงกลางเนี่ยจะได้ขยันกันขออภัยโทษอิสซฟร์แปลกนะคนที่ทำเรื่องอาสาเนี่ยแน่นอนต้องผ่านเรื่องวายิบไปแล้ว เช่นคนละหมาดเยวมุลเลนละคิดว่าจะเป็นคนที่บกพร่องเรื่องฟอรดูมะคือและเถอะเรื่องฟอ ร, ด, ออ ร, อฟอรดูแล้วก็มโอ้โหละหมาดเก้ยวมุลเลนทุกคืนเลยเป็นไปได้ไหมไม่มีในโลกนี้เนี่ยไม่ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่ได้เป็น ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้มันต้องฝผ่านฟอรดูอย่างครึ่งคัดไปก่อนนะพอครื่งคัดแล้วนะถึงจะลิมลิมโอ้โ فرضو ด um ู่มมีความสุขมีความสุขอีกไหมมีนี่แล้วหมาสุนนะโอมีอีกไ้มมีเกียรมุลเลนพอถึงขั้นเกียรมุลเลนนี่สูงแล้วนะสูงแล้วนะเกียมุลเลนเนี่ยพอถึงสูงแล้วอ่ะนะทาอะไรอ่ะเกียรมุลเลนเนี่ยอัลลอฮ์ในแทนที่จะบอกว่าไอ้พวกที่เกียรมุลเลนเนี่ยเขาจะทำอะไรอ่ะคนที่ตื่นกลางคืนนะ ที่เขาตื่นกลางคืนน่ะนะขออภัยโทษเอา้าเขาตื่นกลางคืนแสดงว่าเขาผ่านขั้นฝรดูแล้วสุนนะอะไรเยอะแล้วเนี่ย่วงกลางวันนี่นะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะมาตื่นละหมาดกลางคืนอีกนะเพื่อขออภัยโทษไม่ลืมไงเขาไม่ได้หลงอ่ะไม่ไม่ได้โอ้โหั น, นระดับนี้แล้วอ่ะต่ก็ตรียมมุดเล่นก็ได้ก็ได้ เลือกตำแหน่งในสวรรค์อย่างเดียวจับจองที่ในสวรรค์อย่างเดียวเรื่องนี้ศึกษาเรื่องไม่ต้องคุยแล้วเปล่าเลยนะโอ้ก็พวกเดียวมุลพวกที่ลุกขึ้นกลางคืนน่ะนะเวลาสําคัญของเขาเนี่ยเวลาสหั์เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ช่วงสหรสนี่คืออะไรอิสติลฟอรไม่ช่เรื่องอื่นนะไม่ใช่จับจองสวรรค์นนะอิสติลฟอรนี่ทั้งหมดนี่มันเป็นบทเรียนที่พวกเรานี่ คนคนที่อยากจะอยากจะศึกษาเนี่ยจะถ่มตนยังไงอนะนี่นะนี่เรื่องแบบนี้เองจะขึ้นกี่ขั้นจะสูงแค่ไหนนะอัลลอสุบฮานาอก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนี้นี่ทั้งหมดนี่เป็นบทเรียนปรับปรุงหัวใจของผู้ศรัทธาที่ขววยไปนิดหนึ่งช่วงสงคราม เกิดขึ้นแล้วก็มีรับเฉลยทำให้การแบ่งซับเฉลยอย่างที่เล่าตอนครั้งโน้นนะว่าการแบ่งซับเฉลยทาให้เขาเนี่ยไม่พอใจความรังเกียจความรังเกียจการแบ่งซับเฉลยที่เขารู้สึกว่ามันมัน สำหรับเขานี่ยยังไม่พออันนี้เนี่ยความไม่พอใจหรือความรังเกยียจเนี่ยอุลมามะเขาบอกว่ามันเป็นความรังเกยียจขั้นธรรมชาติที่ทุกคนอาจมีสหภาพก็อาจมีมันไม่แสดงถึงจุดบกพร่องในเรื่องหลักศรัทธาที่ต้องมีต่อ บัญชาของอัลลอฮ์เราลซูลทำไมอ่ะเพราะทุกเรื่องมันต้องมีทุกเรื่องนะมันต้องมีอะไรที่เราไม่พอใจต้องมีที่เป็นธรรมชาติกำลังทำงานอยู่กำลังคุยกับเจ้านายอยู่กำลังประชุมกันอยู่กำลังกลังทุกอย่างนี้กำลังอาสาละเราก็ต้องไปละหมาดเออ เราก็ไปละหมาดไม่มีปัญหาเราก็คุยคุยแล้วกับเจ้านายคุยทุกคนเออเราเราจะไปละหมาดแต่หัวใจของเรามีไหมนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดงิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนงดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนดนิดนดนิดนิดนนิดนิดนนดดดดนน จะไปละหมาดไม่ได้ไม่ได้ต้องไปละหมาดเราก็ไปละหมาดนะแต่หัวใจอะ่ะ <c oughs> แม่กาลังขายดีกําลังมันอันนี้เรื่องที่มันฮาลัลชัดชัดนะอ่าเรื่องที่มันฮารอม ม, มีแน่นอนกําลังดูละครมันมันกำลังดูบอนลนะอ่ะมันมันกําลังเล่นเกมมันมันอ่ะนะแล้วเราก็ละหมาดเค่งคัดในเรื่องละหมาดอันนี้มีในสังคมเราก็มีเยอะ เรื่องการเรื่องละหมาดนี่แค่อย่าอย่ามาคุยนะเรื่องละหมาดง้งละหมาดอมึงเล่นเกมมาทไม่กูก็ละหมาดเนี่ยนี่มีเยอะียมึย ง, มงเล่นเกมอ่ะกทไมกูก็ละหมาดไงกำลังเล่นเกมกลังจะได้แล้วเนี่ยสองล้านยังไม่มีใครทาได้งี่จะได้แล้วฮะอัลลอัฺมุลลาะฮ์เขาก็ละหมาดนะเขาก็วางอ่ะแหละตนะแต่หัวจะยังไงไม่พอใจนิดๆ อันนี้ธรรมชาติอันนี้ศาสนาไม่ว่าไม่ว่านะไม่ว่านะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจมันมันเกิดมาโดยกว่าโดยโดยธรรมชาติซาบะซาบะก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดามันเป็นมลัยกาุติมาเลิกุมอลกิตัลุวะฮูวะคุรหุลลกุมซูละบะกรานอัลกิตัลการต่อสู้การเจริญเนี่ยถูกบันทึกแล้วว่า สำหรับพวกเจ้าต้องทำนะหัวห้วทั้งทั้งดีติดแต่เนี่ย ก, ก็กรุนและคุณพวกเจ้าเนี่ยไม่ชอบใครจะชอบไปไ ป, ไปสู้รบแบะมีใครชอบไม่มีใครชอ บ, ใ ช, อบใชมมันก็ต้องมีอะไรแต่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่มันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะ <c oughs> สิ่งที่มันเป็นการรังเกียจโดยเจตนาอันเนี้ย ที่สมองแล้วก็หัวใจเนี่ยมันปั่นขึ้นมาเรื่อยๆอยทำไมต้องมาจานเดี๋ยวนี้ล่ะอ้าเนี่อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละและ้วแสนองกิเลสนะอันนี้เนี่ยความรังเกียจเนี่ยที่มันกระทบ إ ม م ا ن อันตรายของซาฮาบานี่ไม่ใช่ของซาฮาบานี่ พอแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยเขาก็ยอมเขาก็สยบพอนบีนบีแบ่งเขาก็สยบแต่หัวใจเขาเนี่ยไม่พอใจนิดๆเรังเกียดนิดๆอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็ให้บทเรียนนะนะอัลลอฮ์ให้บทเรียนบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยเชียอฟังอัลลอฮ์ระซูลแล้วก็แบ่งตามที่อัลลอฮ์ระซูลสั่งให้แบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยแล้วก็ไปปรับปรุงเรื่องหัวใจซะ เรื่องอะไรเรื่องอิมานเรื่องเรื่องแต่ว่าตัวเรื่องนี้นี่ฮะปรัปรุงหัวใจพาะนี้สาคัญกว่าสาคัญกว่าทุสําคัญกับทรัพย์เลยพวกเจ้าอย่าไปรังเกียดการแบ่งทรัพย์เฉลยที่ท่านนบีทาอย่ารังเกียดการแบ่งทรัพย์เฉลยเชกเช่นที่ พวกเจ้าเนี่ยรังเกียจ ต, ตอนที่นบีเรียกให้พวกเจ้ามาทำสงครามเรื่องที่เป็นเรื่องเนี่ยนบีและสหาบ้านเนี่ยอยู่ที่มักกะเนี่ยสิบสามปีจนกระทั่งถูกรังแกจนกระทั่งอยู่มักกะไม่ได้ก็เลยตัดสินใจอัลลอ์อนุญาต อนุญาตนะไม่ได้บังคับนะ Allah อัลลอฮอนุญาตให้ฮิจราะทีนี้จะฮิจราะเนี่ยแล้วก็จะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปด้วยนี่นะชาวกวุล์ก็ไม่ให้หรอกในภาวะที่ที่แบบว่าไม่พอใจกันแบบเนี้ยแล้วพวกคุณก็จะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปไมไดีนะ ในยามปกติเนี่ยเนี่ยในในโลกเราเนี่ยในยามปกติเนี่ยใครมาลงทุนมาอะไรแล้วก็คิดจะเอาตังค์ไปซื้อหุ้นแล้วก็คิดจะเอาหุ้นเอากําไรหอบไปหมดเลยเนี่ยมีกฎหมายห้ามไม่ได้นี่ในยามปกตินะแล้วไม่ได้เป็นศัตรูกันอะไรนะทําไมอะมันมันสร้างความระสําระสายด้านเศรษฐกิจไงใช่ไหม ท่านคนที่คนที่ศรัทธาที่ที่อยู่ที่มักกะเนี่ยเขาจะอยู่จริงเรฮิจโรลและกาวทรัพย์สิสนของเขาไปด้วยอนะ่ะหอบทรัพย์สินเนี่ยแบกไปมนเนยแบกแล้วแต่ก่อนนู้นทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ที่ว่าโอนนะ่ะนะกดแล้วโอนนี่ก็ต้องขนมันอูดอูดหลายตัวนี่แบบทาได้อะ่ะก็เห็นสิฮิจโรลจะอพยพได้ไงอะ่ะสรุปแล้วเจ้าอพยพต้องทําอะไรต้องทิ้งทรัพย์ ท ina, ay, pai, pai, me, mü, ิ้งยอมสละททัพที่มกแล้วก็ฮิจโรไปมาดีนะไปเป่าเปาไปมือเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยฮิจโรกันโหฮิจรกันฮิจโรกันเพราะกชไม่อนิยมยึดหมดยึดหมดเลยแล้วใครที่ฮิจโรไปแล้วนะเปลายึดหมดยึดทรัพย์หมดคนหนึ่ง ก็ทิ้งซับเข้าไปนะแต่เป็นคนที่ฉลาดหน่อยนั่นก็คือซูไฮบอารูมีซุไฮบ์ซูไฮบ์เนี่เป็นมามาเมกาเนี่ยช่วงแรกนี่มาเป็นทาสมาเป็นทาส แต่สุดท้ายนสามารถที่จะทำมมหมากินเองแล้วก็ไถตัวเองได้ทำไมอ่ะเพราะโซให้ ม, มีเก่งในการสร้างอาวุธทำดาบทา ม, มีดทำอะไรถ้มมาทมมหมากินมีอะไรก็เลยไถตัวเองอิสระแล้วก็ทำ ม, มากินทำงานที่มกกาก้าเนี่ยจนรับรู้อิสลามแล้วก็รับอิสลามแต่เป็นคนที่มีตังค์ตังค์แกก็เก็บเยอะนนแล้วก็ แล้วก็ฝังไว้อยู่ที่หนึ่งไม่มีใครรู้แต่ชาวมั ก, การุนี่ว่าไอ้นี่รวยทำไมเอ่ะมันหากินเก่งเน่ะแน่นอนอะ่ะใต้กระเบื้องนี่ต้องมีเยอะเลยมีต่ก่อนนู้นมีธนาคารอ่ะนะแสดงคนนี่เนี่ยทำมามหากินเก่งห่วยไดได้มีลูกค้าเยอะเนี่ยมีตังมีตังนี่แสดงว่าฝังอย่างเดียวต่ก่อนนู้นใครมีตังก็ฝังอย่างเดียวอะ่ะจะเก็บยังไงอะ่ะไม่ให้คนรู้อะ่ะก็ฝังอย่างเดียว ฮสุไหบแตดสินใจจะอพยพนะชาวกุเรชนี่นรู้ฮสุไหบนี่ไปมือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปไหนผมก็ผมไม่อาจารย์อะไรอ่ะผมไม่มีอะไรเฮ้ยเป็นไ ป, นปนไม่ได้เองมีตังค์แน่นอนแกเราจะไม่ปล่อยแกไปมาดีนะเนี่ยจนกว่าจะต้องบอกแกไวปไหนตังค์ไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยเลยอะสุไหบนี่ยอมบอกเขาอ่ ทางเขาเก็บไว้ท okay, ี่ไหนจะได้ปล่อยตัวฮิระนบีรู้เลยนะอัลลอฮ์บอกนบีนั้นนบีออกมาต้อนรับซูไฮบ์ซูไฮบเนี่ยไม่ใช่ชาวอาหรับนี่เป็นรูมีซูไฮบ์อรูมีรูมีโรรูมีนบีออกมาต้อนรับซูไฮบ์ต้อนรับว่าเราไปขายยการค้า ที่ท่านเนี่ยถยตัวนี่ยอมยอมปล่อยทรัพย์นี่จะได้อบพยพมหาลารสูลีนะอันนี้เนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนกำลังจะบอกว่าคนที่อบายยศนี่เขาก็ต้องทิ้งทรัพย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะหมดไปอยู่มา ด, ดีน่าเนี่ยไม่มีทรัพย์อะไรเลยอัลลอ์ก็อนุญาตให้ชาวมักกะเนี่ยดัก คาราวานของชาวกุริชคาราวานที่ไปเมืองชามเนี่ยไปไปนำสินค้าแล้วก็จะย้อนกลับมานี่เรามาดูมาดูแผนที่ดินี่เขาอยู่มักกาตรงนี้เขาก็จะมีคาราวานที่ไปเมืองชามเนี่ย จริงเขาก็มีนะเป็นเป็นตำแหน่งของเขาเนี่ยที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปตรงนี้ก่อนเป็นสถานที่ของชาวกุเรชเลยนะก่อนที่จะไปไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะกาซาฮอซาต้งแวะไปกาซาก่อนนะแล้วก็ไปอิอุราสลิมเนี่ยอัลกุสแล้วหลังจากนั้นก็จะไปก็ไปชามก็คือดีมาสกัสเนี่ย หรือบางทีนี่ก็ไปตรงหรือไปดีมัสกัสเลยเนี่ยก็มีเพราะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตอนนั้นขากลับก็จะกลับมาเช่นเดียวกันขากลับก็จะกลับมาอย่างนี้ก็จะกลับมานท่านนบีได้รับรู้ว่ามีขราวานของชาวโคเดสเนี่ยกลับมาจากกลับมาจาก เมงชามน บ, บีก็เลยให้ซอฮาบะเนี่ยไปกับซอฮาบะเนี่ยเพื่อไปดักคาราวานนี้เจตนาคืออะไรอะ่ะก็คือแลกทรัพย์ของชาวมุฮัจิรีนเนี่ยที่เขาถูกยึดไปที่มักกาเนะ่ยแลกกับทรัพย์ของชาวกุเรซซึ่งยุติธรรมยุติธรรมยึดทรัพย์มหาศาลเลยะ ของชาวมุฮัจิรินนับนบหลายร้อยหลายร้อยคนน่ะน ะ, ะไปไปดักคาราวานแล้วก็ยึดทรัพย์พราเขายึดทัพย์ของของชาวมุฮัจิรินไปและคาราวานเนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นทหารไงส่วนมากในคาราวานก็จะมีแค่คนเฝ้าไม่ได้เป็นกองทัพนบีก็เลยไม่ได้เตรียมคนเยอะ สองคนมาสองตัวอะไรเงี้ยมาวิ่งสองตัวไม่ได้เตรียมอาวุธอะไรมากมายเพื่อไปดักคารวานแต่คนที่นําคาราวานเนี่ยอบูสุฟยานเนี่ยรู้ว่าท่านนาบีและสหายนี่จะออกมาดักคารวานก็เลยรีบส่งข่าวให้ชาวมักกะว่ามีมีท่านมุฮมันี่จะออกมาดักคารวานซึ่งเป็นทรัพย์สินของพวกเจ้าอ่ะนะต่างคนก็ต่างฝัง ฝากของไปขายฝากของซื้อมาอะไรเงี้ยเป็นทรัพย์สินของชาวมักกะทั้งนั้นน่ะเนี่ยดูมุฮัมมัดนี่จะมาดักคารวานแล้วก็ยึดหมดเลยชาวมักกะนี่พอรู้แล้วนี่ยก็เลยยกทัพเลยยกทัพเพื่อไปคุ้มครองคารวานไปทางเนี้ยเพื่อไปคุ้มครองคารวานและท่านนาบีก็ออกมา นยบีอยู่มา ด, ดีนะตรงนี้นะ่ยก็ออกมาจะได้มาจะได้มาดักคารวานตรงนี้นะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะไปดักคารวานตรงนี้เนี่ยไอกองทัพที่ออกมามะ ก, กาเนี่จะได้มาคุ้มครองคารวานเนี่ยท่านน บ, บีรู้อัลลอ์ก็เลยสั่งให้มาจัดการกองทัพนี้มาจัดการกองทัพที่มะ ก, กา ที่ออกมาจากมักกะเพราะกองทรับที่มักกะเนี่ยเขาตั้งใจว่าถ้าคาราวาลปลอดภัยแล้วนี่นะก็จะย้อนมาบุกท่านนาบีแล้วก็มาบุกรุกท่านนาบีที่มาดีนะอัลลอฮ์ก็เลยสั่งให้ไปดักไปดักกองทัพดีกว่า ท่านนาบีก็เลยแจ้งซาฮาบะว่าตกลงเราไม่ไปดักคารวาแล้วนะเราจะไปประทะกับกองทัพเนี่ยซาฮาบะเอาบางท่านนะนะซาเอ้าก็เราเตรียมแล้วนี่ที่จะไปดักคารวามีแต่ทรัพย์สินมีแต่มีแต่ ส, สตุ้งสะดั่ ง, งใช่ไหมนีน่ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้อะไรเลย แต่น บ, บีถามผููนําถามซาบะซาบะส่วนมากเนี่ยเต็มใจที่จะไปกับท่านน บ, บีสัลลัลฮ์วะลัยฮุสัลลัลและสุดท้ายนี้สิ่งที่ได้นี่คืออะไรก็ได้ทรัพยเฉลยชนะสงครามบัตรนะก็ได้ทรัพย์เลยจากสงครามบัตรแล้วก็ได้อีกอย่างหนึง่งถ้าไปดักคาราวานเป็นครั้งแรกที่ปะทะระวัง ท่านนาบีแล้วก็ชาวมุฮาจิรนซาวอันซอรเนี่ยครั้งแรกที่จะประท่ากับชาวมักกาเนี่ยไปดักคาราวานและก็ยึดทรัพย์ของชาวมักกาเนี่ยจะโดนข้อหาว่าเป็นเนี่ยเป็นโจรโจรดักคาราวานโดนน่ยนมาแต่พอกองทัพขึ้นมามาดักกองทัพของท่านนาบีไม่ให้ไปไปถึงเนี่ยจึงต้องประทะนะ และชนะเนี่ยก็เลยได้ชื่อเสียงดีกว่าพวกเจ้าอย่ารังเกียจที่ท่านนาบีแบ่งทรัพย์เฉลิมนี้เชกเช่นที่พวกเจ้าเคยรังเกียจไม่อยากจะออกกับท่านนาบีไปดักกองทัพและอยากจะไปดักคารวานแต่นบีชีน้นำให้ไปดักกองทัพดีกว่าและพวกเจ้าไม่ไม่อยากไปนี่กว่าจะพ่ายแพ้ แต่สุดท้ายเป็นยางไงอะชนะใช่ไหมดังนั้นเชื่อเชื่ออัลลอฮ์ราซูลสินี่คือความหมายที่ข้ามาอัพรจกขารับบุคจากบิทิคบิลฮักที่ว่านนฟรีกัมมินอุมมินีนละกะริฮุนเช่นเดียวกับการที่พระเจ้าของเจ้าให้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริง เนื่องด้วยความจริงเนี่ยเจตนาจริงเนี่ยก็คืออะไรก็คือปกป้องศาสนาและแท้จริงกลุม่มนึงจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจคือไม่พอใจพราอธิบายตะ ก, กี้เนี่ก็เลยเข้าใจอายะห์แล้วน ะ, ะแต่ถ้าอ่านอายะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เล่าที่ไปที่มานี่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของจุดเริ่มต้นของเรื่องสงคำบาตรซึ่งยังจะมี ยังจะมีบทเรียนมากมายในสุรเดลังฟัลต่อไปนะครับฝั่งฝัเพียงเท่านี้นะครับัสลลัลลอฮอาลนบีอามุฮัมมัดวลาอลฮิ์ละ صحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ت ه